ถ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของความไม่ฟุง้งซ่านถ้าหาอาหารแห่งความฟุ้งซ่านมาใส่ลงไปก็ไม่ใชนะ่คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นปัญญาเป็นความรอบรู้เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเอามิจฉาทิฏฐิมาโปรยลงไปก็ไม่ใช่เพรา ะ, ะอาหารเขาดีๆอย่าเอาอะไรนะอย่าเอาอะไรอย่าเอาสารพิษสารปนเปื้อนมาเจือลงไปเนี่ยนะแต่บางคนก็เป็นอย่างี้เอออาหารดีๆแมต้องห่ะ อ, อะไรเครื่องเทศของตัวเองใช่ไห ต้องหยอะเครื่องเทศของตัวเองแล้วจึงค่อยถานได้ก็เลยว่าเคยได้เห็นน่าคล้ายๆกับบางพวกนี่ต้องมีซอสประจําตัวอย่างหนึ่งหรือต้องมีซีอิ๊วอย่างหนึ่งประจําตัวหรือมีน้ําปลาอย่างหนึ่งว่าถ้าได้ใส่กลิ่นอันนี้เข้าไปแล้วจึงถามได้อะไรก็ถานได้ขอให้ได้หยอดกลิ่นอันนี้ลงไปก่อนชั้นใดนผู้ที่ศึกษาธรรมะ ก, ก็เหมือนกันเราต้องระวังว่าเราใส่ทิศทีตัวเองลงไปในคําสอนได้ไหมเพราะฉะนนั้จะต้องตรวจสอบได้ว่าเออความเห็นของเราเนี่ยขัดกับคําสอนไหมเป็นไปตามคําสอนไหม ก็บอกโอ้ถ้าอย่างนี้ก็เชื่อพระรัตนตรายสิบอกถูกต้องพุทธังสรารนังคัจฉามิเนี่ยนะเราก็ต้องถือเอาคุณของพระรัตนตรายเป็นปริมาณเนี่ยนะเป็นเป็นเป็นความถูกต้องทีนี้เราก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงว่ากายกรรมเรามีโทษไหมวจีกรรมเรามีโทษไหมมนโนกรรมเรามีโทษไหมอะไรที่มันมีโทษก็อย่าอนุรักษ์นิยมเลยเนี่ยนะถ้าอุจระตาเนี่ยข้างตาเนี่ยก้อนเบเรมเลยเข้าก้อนป้านเนี่ยเอาวางไว้ไหม โอ้ยแตรู้ทันทีรีบควักออกทันทีเลยไม่เก็บเอาไว้หรอกเนี่ยนะแต่เชื่อไหมคนที่มีอีโก้ทั้งหลายเนี่ยมันเก็บได้ดีจริงๆเลยเนี่ยนะอนุรักษ์นิยมแหมมานะเนี่ยนะโอ๊ยมันแบกไว้ทําไมก่อไม่รู้ไม่มีประโยชน์เลยแต่ก็อนุรักษ์นิยมก็เรามันเป็นอย่างนี้มานานแล้วแล้วก็เอ้ยยังบอกอว่าพกมาตั้งนานแล้วใช่ไหมอุตส่าห์คร อ, อย่างที่เดี๋ยวถ้าใครอ่านอะไรนะปาปา ป, า, ปายาสสราชัญญสูตรเนี่ยเห็นชัดหรอกทิฏฐิของ ท, ท, ท่านที่ท่านแบกมาไม่ดีหรอก เฮ้ยไม่ดีได้ยังไงบอกแบกมาตั้งนานแล้วของกันเอ้ยนี่จะเล่าให้ฟังอุปมาให้ฟังเของว่าของมีชายคนหนึ่งเขาบ้านเขาเลี้ยงหมูอยู่หลายตัวเพราะฉะนั้นอาหารหมูดีที่สุดประหยัดด้วยไม่ต้องซื้อหาด้วยก็เก็บอุจจาระแห้งนะพูดอย่างนี้อินเดียเนีน่นเอกออกง่ายเขาก็ไปเก็บอุจจาระแห้งใส่กระสอบปานเนี่ยนะใส่กระสอบป่านเก็บเก็บก็บก็บเก็บได้หนึ่งกระสอบก็เลยทูนหัวไปนะแขกไม่ชอบแบกชอบทูนหัวนะก็ทูนหัวไปเลย ระทูนหัวเข้าไปฝนมันก็ตกตกก็เปียกรถเยิ้มไปหมดเลยนะเขาบอกโอ๊ยแบกไปทำไมมันเมน้น เอยแบกมานานจะเอาไปเลี้ยงหมูบอกทิ้งเธอไม่ได้เนี่ยนะแบกมาตั้งไกลจะให้มาทิ้งง่ายๆได้ยังไงอาหารหมูทั้งนั้นเนี่ยนะฉันใดทิฏฐิทั้งหลายที่เราแบกอยู่ก็เหมือนการอะไรมันไม่ดีกว่าละทิ้งได้กว่าทิ้งไปเธอทุจริตกรรมเหล่าใดด้วยกายด้วยวาจาที่ไม่เป็นไปตามคําสอนละได้กว่าละถากได้ก็าถากไม่ต้องไปอนุรักษ์นิยมว่าแบกมาตั้งนานแล้วใครๆก็รู้ว่าเราเป็นมิจฉาทิฏฐิมาอย่างนี้ตั้งนานแล้วไม่ต้องไปอนุรักษ์นิยมอะไรขนาดนั้นหรอกเนี่ยนะ แต่ที่สำคัญวิจารณญาณแยกให้ออกว่าอะไรเป็นเป็นความดีอะไรเป็นความชั่วเนี่ยนะอะไรควรเจริญอะไรควรละอย่าเข้าข้างตัวเองเนี่ยนะบคือคนที่มันละยากที่สุดคือคนที่ข้างตัวเองเนี่ยนะเคยเคยเห็นตะกร้าคนบ้าฉลอมคนบ้าไหมกระสอบป่านของคนบ้าเคยเห็นไหมเคยขับรถกะวังทางมาเห็นไหม มันแบกเนี่ยนะทั้งขยะเนี่ยถุงขยะมันก็เก็บใส่แล้วก็แบกไปคัดออกมาแล้วเนี่ยนะทั้งหมดนั้นแทบไม่มีอะไรบอกว่าอา้าททำไมอะ่ะแบกมาตั้งนานแล้วจะให้ทิ้งง่ายๆได้หรือเนี่ยนะยร ย, ยางก็เหมือนกันอะไรที่มันเราต้องพยายามคัดสรรสารถ้าหากว่าไม่รู้จักสารไม่สามารถคัดสรรสารได้เราจะไม่ประสบสิ่งที่เป็น สาระเนี่ยนะจะไม่ประสบศีลที่เป็นสาระไม่ประสบสมาธิและปัญญาเป็นต้นที่เป็นสาระเลยเนี่ยนะแล้วเราได้อะไรมัง่งต้องมาทบทวนนะเออชีวิตจริงของเราเนี่ยเราได้อะไรหนึ่งได้ปัจใจสี่เป็นเครื่องเวทล้อมกายนี้พอไหมไม่พอก็เท่ากันได้ถ้าได้แค่สิ่งเวทล้อมเครื่องเวทล้อมกายนี้ก็เปรียบเหมือนได้กิ่งและใบนะนะถ้าเข้ามาในศึกษาคําสอนเนี่ยนะถ้าได้เฉพาะสิ่งเวทล้อมเนี่ยนะห่อหุ้มกายอยู่ก็แสดงว่าได้เฉพาะกิ่งและใบ ถ้าได้ศีลก็ถือว่าได้ได้ไรได้สเก็ตเนี่ยนะได้สเก็ตถ้าได้ศีลเนี่ยก็เท่ากับได้สเก็ตถ้าได้สมาธิเนี่ยนะจิตใจตั้งมั่นก็ได้เปลือกถ้าได้ญาณทัศนะถึงได้ปัญญาก็ชื่อว่าได้กระพีแล้วสูงสุดแหละก็คืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยนะอริยมรรคอริยผลทั้งหลายมั้นมาดูในจุลสาโอปจุลสารโรปมาสูตรเนี่ยนะ ที่กล่าวถึงแก่นของพรหมจรรย์กล่าวถึงแก่นของพรหมจรรย์ในข้อสามร้อยห้าสิบเก้านนะหน้าห้าร้อยหกสิบสี่กล่าวว่าดูก่อนพราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าเราเนี่ย เป็นผู้อันชาติชรามรณาโศกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตท่วมทับแล้วถูกความทุกข์ท่วมทับแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าธรรมชนหนอความกระทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้จะพึงปรากฏเขาบวชอย่างนั้นแล้วยังลาบสการะและความสรรเสริญให้เกิดขึ้นเขาไม่มีความยินดี มีความปรารถนายังไม่เต็มเปี่ยมด้วยลาบสการะสันเสรินั้นเขาจึงไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะลาบสการะและสัรเสริอันนั้นเพราะฉะนั้นเขายังฉันท่ให้เกิดพยายามเพื่อทำให้แจ้งซึ่งทำเหล่าอื่นซึ่งยิ่งกว่าและประนีตกว่าลาบสการะและความสัรเสริอั น, นั้นทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยเขายังความถึงพร้อมแห่งศีลให้สำเร็จเขามีความยินดีด้วยความถึงพร้อมแห่ง ศีลนั้นแต่ความปรารถนาของเขายังไม่เต็มเปี่ยมเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความถึงพร้อมแห่งศีลนั้นอันหนึ่งเขายังฉันท่าให้เกิดพยายามเพื่อทําให้แจ้งธรรมเหล่าอื่นซึ่งยิ่งกว่าและประณีตกว่าความถึงพร้อมแห่งศีลนั้นทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยยังเขายังความถึงพร้อมแห่งสมาธิให้สําเร็จ เขามีความยินดีด้วยความถึงพร้อมแห่งสมาธินั้นแต่มีความปรารถนาอย่างไม่เต็มเปี่ยมเรียกว่ายังไม่สมความปรารถนาะเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความถึงพร้อมแห่งสมาธิอนั้นเพราะฉะนั้นเขายังฉันทาให้เกิดพยายามเพื่อทำให้แจ้งทำเราอื่นอันยิ่งกว่าและประนีตกว่าความถึงพร้อมแห่งสมาธินั้นทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอย ยังยาณทัศนะให้เกิดเขามีความยินดีในยาณทัศนะแต่ก็ยังไม่สมความปรารถนาเขาจึงไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะยาณทัศนะอันนั้นอันหนึ่งเขายังพยันชนะให้เกิดพยายามเพื่อทําให้แจ้งทําเหล่าอื่นอันยิ่งกว่าและประนีตกว่ายาณทัศนะนั้นทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยดูก่อนพราหมณ์ ทำที่ยิ่งกว่าและประนีตกว่ายานัศสนะนั้นเป็นไงอนะสูตรก่อนเนี่ยกล่าวด้วยอสมัย ว, วิโมกคืออรหัตผลไปเลยอรหัตมรรคอรหัตผลแต่สูตรนี้กล่าวโดวยอนุปุาพวิหารสมาบัติกวนะนะที่เรียกว่ากล่าวถึงสมถะและวิปัสสนาเคียงคู่กันไปเนี่ยนะเรียกว่าเพื่อสาหรับผู้ที่จะได้ออนุปภาพวิหารสมาบัติ9้า เป็นคุณธรรมชั้นสูงเนี่ยนะผู้ที่จะได้สัญญาเวทายตานิโรธหรือผู้ที่จะได้นิโรธสมาบัติจึงกล่าวว่าภิกษุในพระาศาสนานี้สงัดจากการมสงัดจากอคุโลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมมชานมีวิตกมีวิจารณ์มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่แม้ธรมข้อนี้ก็ยิ่งกว่าและประนีต ก, กว่ายานรทัศนะเอ๊ะทำไมตรงนี้ปฐมมชานจึงประเสริฐกว่าพิญญาอภิญญาทําไมบอกว่าไม่ประเสริฐเท่าปฐมมชาน มันขาดกันไหมบอกไม่ขาดการรอกเพราะอภิญญาเช่นมีตาทิพย์มีหูทิพย์อย่างอื่นเป็นต้นเนี่ยนะไม่ได้รองรับวิปัสนาแต่ปฐมฌานตรงนี้รองรับอนุปัสนาเจ็เพราะตามเห็นปฐมฌานโดยอนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัตตานุปัสนานิพิาาาทานุปัสนาวิราคานุปัสนานิโรธานุปัสนาและปฏิณิสขานุปัสนาเป็นปฐมฌานที่เคียงคู่ไปกับ วิปัสนาเนี่ยนะกระวะพอเข้าปฐมฌานโดยปริมาณเท่าใดออกจากปฐมฌานก็เจริญอนุปัสนาทั้งเจประการเท่านั้นพอเจริญเสร็จก็เข้าทุติยฌานอีกภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความพ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจารณสงบไปไม่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่แม้ทำข้อนี้ก็ยิ่งกว่าและประนีตกว่า ญาณทัศนะเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะปฐมเข้าทุติยาชาญออกทุจากทุติยาชาตแล้วก็เจริญอนุปั ส, สนาทั้งเจ็ดประการ น, นะหลังจากพิจารณาจนชมนิชัมนาญคล่องแคล่วว่องไวใส่แล้วก็ อีกข้อหนึ่งพิสษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตาติยะฌานที่พระอริยทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขแม้ธำข้อนี้ก็ยิ่งกว่าและประนีตกว่าญาณทัศนนะเพราะาตะั ต, ะ ต, ะ ต, ะติยะฌานที่เป็นบาตของวิปัสสนานี่นะก็ประนีตกว่าอภิญญาทั่วไป อีกข้อหนึ่งพิสุบรรลุจตุทัชานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์ดับโสมนัตโทมณตก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่แม้ทำข้อนี้ก็ประณีตกว่าญาณทัศนะนะประนีตกว่าอภินยาทั่วไปเพราะจตุทัชฌานที่เป็นบาตของอนุปัสนาเพื่อแทงตลอดอริยมรรคทั้งหลาย อีกข้อหนึ่งเพราะก้าวล่วงเสียซึ่งรูปปรสสัญญารูปปรสสัญญาก็คือรูปประชาน15เพราะดับปฏิฆะสัญญาทวิ ป, ปัญจ10ิบไม่ใส่ใจนา น, นาตตะสัญญาคือกามาวจรจิตอีก44ย่อมบรรลุอากาศสา น, ยยนานันจายตนะฌานพิจารณาว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้อากาศโซ อ, อนันโตเนี่ยนะแม้ทำอันนี้ก็ยิ่งกว่าประณีตกว่ายานทัศนะเพราะอะไรเพราะ ออกจากอากาสานัญจายตนะฌานแล้วก็เจริญอนุปัสนาทั้ง7ประการโดยโดยพละเนี่ยนะโดยกําลังเนี่ยโดยเรี่ยวแรงเพราะวิปัสนาพละและสมถะพละเนี่ยมีกําลังมากอีกข้อหนึ่งเพราะล่วงเสียซึ่งอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงพิสูจยมม่อมบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานด้วยพิจารณาว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้แม้ทำข้อนี้ก็ยิ่งกว่าและประนีตกว่า ญาทัศนะเนี่ยนะก็ออกจากวิญญาณัญจายตนะเจริญอนุปัสนาเจเดคิดว่าถึงพร้อมด้วยสมถะพละและวิปัสนาพละอีกข้อหนึ่งเพราะล่วงเสียซึ่งวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงย่อมบรรลุอากินจัญญายตนะด้วยพิจารณาว่าหน่อยหนึ่งไม่มีนัตถิกินจิแม้ทำข้อนี้ก็ยิ่งกว่าและประณนีดกว่าญาทัศนะเพราะอากินจัญญายตนะรองรับอนุปัสนาเพราะนั้น ถึงพร้อมด้วยสมถะละและ ว, วิปัสนาภะละอีกข้อหนึ่งเพราะล่วงเสียซึ่งอากินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงพิสุย่อมบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานแม้ทำข้อนี้ก็ยิ่งกว่าและประณีต ก, กว่าญาณทัศนะเพราะอะไรเพราะเนวสัญญาเป็นบาทของวิปัสนาทั้งหลายเนี่ยนะอีกข้อหนึ่งเพราะล่วงเสียซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงย่อมลุก บันลุสัญญาเวทยิตานิโรธก็คือดับสัญญาและดับเวทนาดับจิตตสังขารเนี่ยนะดับจิตตสังขารคือสัญญาและเวทนาเพราะเห็นด้วยปัญญาคือเห็นด้วยโสดาปฏิมัคคปัญญาเพราะเห็นด้วยสกทาคามิมัคคปัญญาเพราะเห็นด้วยอนาคามิมัคคปัญญาเพราะเห็นอริยสัจด้วยอรหัตตมัคปัญญาเห็นเนี่ยเห็นอะไร เห็นอริยสัจด้วยโสดาปัิมัคสกธาคามิมัคอานาคามิมัคและอรหัตตมัคคปัญญาเพราะเมื่อเห็นอริยสัจด้วยมัคคปัญญาอย่างนี้กามาสะวะภวาสะวะทิฏฐาสะวะอวิชชาสะวะทั้งหลายย่อมสิ้นไปนนนนนนนเนี่ยนะก็แปลว่าเป็นพระอรหันต์ประเภทอุพโตภาควิมุตต์หลุดพ้นจากรูปด้วยอรูปหลุดพ้นจากอารูปด้วยด้วยอริยมัคมีอรหัตตมัคเรียกว่าหลุดพ้นจากรูปด้วยอรูปหลุดพ้นจาก นามทั้งหลายด้วยอรยมัคทั้งหลายเพราะฉะนั้นทำข้อนี้ก็ยิ่งกว่าและประณีตกว่าญานทัศนะทั้งทั้งหลายอื่นดูก่อนพราหมณ์ทำเหล่านี้แลที่ยิ่งกว่าและประนีตกว่าญานทัศนะประณีตกว่าอภิญญาทั่วไปเนี่ยนะ เปรียบเหมือนบุรุษคนที่มีความต้องการด้วยแก่นไม้เนี่ยนะสแสวงหาแก่นเที่ยวหาแก่นอยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ตักเอาแก่นนั่นแหละถือไปรู้อยู่ว่าเป็นแก่นและกิจที่พึงทําด้วยไม้แก่นของเขาจักสําเร็จประโยชน์แก่เขาฉันใดดูก่อนพราหม์เราเรียกบุคคล น, นี้ว่ามีอุปมา ฉะนั้นเหมือนกันดูก่อนพรหมด้วยเหตุดังพรนณ า, ามา น, นี้พรหมจรรย์คือศาสนานี้ไม่ใช่มีลาภสการะสรรเสริญเป็นอา น, นิสง์ผลกําไรพรหมจรรย์คือศีลสมาธิปัญญาที่ปฏิบัติอยู่นี้ไม่ใช่มีความถึงพร้อมแห่งศีลหยุดอยู่แค่จะตุดปาริสุทิศศีลเป็นกําไรอา น, นิสงเนี่ยนะมิใช่มีความถึงพร้อมด้วยสมาธิเป็นอานิสง์กําไรไม่ใช่มีญาทัศนะ คืออภิญญาเป็นอ น, นิสงฆ์กําไรพระมรรจ์นี้มีเจโตวิมุตต์อันไม่กําเริบคืออรหัตตมรรจอรหัตตผลเป็นประโยชน์เป็นแก่นเป็นที่สุดเนี่ยนะก็แสดงว่าพระมรรจานายพระพุทธศาสนาเนี่ยนะจบลงที่อรหัตตมรรจอรหัตตผลเนี่ยนะเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส่างนี้แล้วปิงคละโกชพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าบอกว่าคนที่ฟังทำเนี่ยนะไม่ใช่ว่าฟังแล้วต้องทําได้ทั้งหมด ตอนนั้นทันทีแต่ฟังแล้วก็ยอมรับว่านี้เป็นความปรสรุูดีของพระพุทธเจ้าฟังจบแล้วก็ยอมรับว่านี้เป็นความความเป็นธรรมดีของพระธรรมฟังแล้วจบแล้วก็ยอมรับว่านี้เป็นความปฏิบัติดีของ พระสงฆ์เขาจึงถึงสารณะคมกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญพาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญพาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักเปรียบเหมือนบุคลหงายของที่คว่มเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยประสงค์ว่าผู้มีจักสุจักเห็นรูปได้ฉันใดพระธรรม ที่พระองค์ประกาศแล้วโดยอเนกปริยายก็ฉันนั้นเหมือนกันข้าพระองค์นี้ขอถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระพิสูจน์ว่าเป็นสารณะขอพระองค์จงทรงจาข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงพระรัต n a ไตรเป็นสารณะตลอดชีวิตจำเดิมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะจำเดิมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะนั้นระว่าพระธรรมถึงจะยกมาพูดเยอะสูงสุด แต่ก็ผู้ที่ฟังธรรมแล้วบรรลุมรรคผลฟังธรรมแล้วก็ถึงสาระคมนี่ก็ถือว่าสําเร็จประโยชน์เพราะศรัท ธ, ธาศรัท ธ, ธาของเขาที่มีต่อพระธรรมไตรศรัท ธ, ธาด้วยความเลื่อมใสด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องก็ย่อมเอน็นโอนโน้มไปสู่การบรรลุมรรคผลนิ่ผ่านเป็นที่สุดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ก็ขอให้พวกเราทั้งหลายที่ได้ฟังสาโรูปรมาสูตรพระสูตที่ อุปมาเปรียบด้วยไม้แก่นเนี่ยนะก็ขอให้ได้ประสบพบแก่นที่เป็นจริงของพระพุทธศาสนาโดยทั่วกันเนี่ยนะวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้